มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณนุฟางพบกับรายการมุมมองข่าววันนี้ดิฉันดรนิสากรภัยบุญสินพบกับคุณนุฟังทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะ คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีนะคะเราก็จะมีนกนางนวล น, นะคะอบพยพนะะ้ำบินหนีหนาวจากไซบีเรียมองโกเลียทิเบตและจีนนะคะมาเยี่ยมชมประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวบางปูเป็นจำนวนมากเลยคะ่ะดังนั้นก็ขอเชิญชวนคะ่ะ ไปดูนกกันนะคะที่บางปูนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถานตักอากาศบางปูซึ่งก็จะเป็นบริเวณที่นกนางนวลมาอยู่มากที่สุดเพราะว่าบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่มีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งอาหารอย่างดีของนกนางนวลอยู่ด้วยค่ะ และที่สำคัญนี้นะคะการเดินทางมาดูนกนางนวลที่สถานต่างอากาศบางปูนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะขับรถนะคะมาเองได้น ะ, ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงเย็นๆนะคะก็จะมีอากาศเย็นๆแล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวชม อย่างสถานที่ต่างๆนะคะการจอดรถนะคะในสถานตะอากาศบางปูนะคะส่วนใหญ่ก็จะจอดฟรีนะคะแล้วก็เดินไปที่สะพานสุกตานะคะซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตยื่นไปนในทะเลยาว500เมตรค่ะ ปลายทางนะคะก็จะเป็นร้านอาหารสุขใจเน้นขายอาหารทะเลนะคะแล้วก็เป็นสะพานที่เป็นแหล่งดูนกนางนวลที่ดีที่สุดของบางปูเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วยังสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้ที่นี่ด้วยค่ะตอนนี้นะคะห้ามขับรถขึ้นไปบนสะพานนะคะแต่สามารถเดินไปหรือว่าจะใช้รถตุกต๊กๆนะคะบริการไปได้นะคะ แล้วที่สำคัญนะคะบางปูก็ยังมีป่าชายเลนค่ะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำและต้นไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นปูปลาตีนต้นกงกางนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังค่ะนกนางนวลค่ะตัวขาวขาวนะคะปากแดงนับพันนับหมื่นตัวเลยค่ะที่มา เยี่ยมชมนะคะประเทศไทยเรานะคะในช่วงนี้เรียกได้ว่าเขาหนีหนาวนะคะมาหาอากาศที่อบอุ่นนะคะที่บ้านเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกนางนวลหัวดําใหญ่นกปากแอนหางดํานกซ่อมทะเลอกแดงนะคะบางครั้งก็มีเหี่ยวมาด้วยนะคะเหยี่ยวแดงนะคะนกพวกนี้ค่ะคุณฟังคะบินเก่งแล้วก็บินไกลนะคะเป็นพันๆกิโลเมตรแล้วที่สําคัญนะคะเขาสามารถที่จะ ลอยน้ําแบบเป็ดได้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะ ค, ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของอาหารนี่ค่ะคงจะต้องะระมัดระวังสักนิดหนึ่งในการให้อาหารนกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราให้อาหารที่ไม่ถูกต้องไปนะคะก็อาจจะทําให้นกเนี่ยเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะในทุกๆปีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ เข้าสู่ช่วงฤ ด, ดูหนาวก็จะเป็นช่วงที่นกจากไซบีเรียบินอพยพหนีหนาวเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่บางปูสมุทรปราการนะคะก็จะมีนกนางนวล น, นะคะมาที่สถานต่างอากาศบางปูนะคะแล้วก็ที่บางปลีนะคะก็จะมีนกเหี่ยวนะคะบินอพยพมาเช่นกันนะคะแล้วก็ที่จังหวัดอคอนครนายกนะคะก็มีหลายๆจุดนะคะที่มีนก หนีหนาวเข้ามาค่ะนกนางนวลจากไซบีเรียนะคะก็จะบินแบบรวมฝูงนะคะเป็นฝูงใหญ่เลยนะคะมาที่ประเทศไทยนะคะพอหายหนาวแล้วนะคะเขาก็จะบินกลับไปนะคะที่บ้านของเขาที่ไซบีเรียแล้วเขามาของเขาทุกปีเลยนะคะคุณฟังคะ่ะเรียกได้ว่ามาที่1 น, นี้นะคะก็ 5,000 กว่าตัวนะคะซึ่งก็จะเป็นนกที่มีจํานวนเนี่ค่อนข้าง เยอะเลยนะคะและปีนี้ก็มาเร็วเนื่องจากว่าอากาศเย็นเนี่ยมาเร็วนะคะนกนางนวลชอบอาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่นะคะหรืออาจจะรวมกับนกนางนวลพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะทีนี้บางท่านก็บอกว่าเออถ้าไปที่นครนายกนี่นะคะเราจะาไปที่ไหนนะคะที่ที่ที่ที่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปที่ บ้านโคกสำโรงนะคะตาบลท่าเรือนะคะซึ่งก็อยู่ที่สถาบันเกษตรอินทรีย์ทุ่งใหญ่อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกเยียวนะคะก็จะอพยพหนีอากาศหนาวมาเช่นกันนะคะและเมื่อเข า, าฟักไข่นะคะออกลูกเรียบร้อยนะคะเขาก็จะอพยพกลับไปนะคะในช่วงมีนาคมถึงเดือนเมษายนของปีถัดไปทุกปีเลยนะคะปีนี้ดิฉันก็ชวนคุณฟังไปเที่ยวกันนะคะที่บางปูก็ใกล้ๆกรุงเทพ แค่นี้เองนะคะสถานพัก อากาศบางปูสร้างมานะคะตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามในปี2482แล้วคุณผู้ฟังแล้วมีพื้นที่กว่า582ไร่นะคะจุดประสงค์นะคะก็เพื่อสร้างให้ทหารได้พักผ่อนหลังจากกลับมาจากราชการสงครามนะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยบางปูเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ไงคะอากาศก็ค่อนข้างบริสุทธิ์นะคะคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็จะนิยมไปที่ อ, อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของตามโครงการอ e ีเมมเปนภาครัฐที่ได้จัดทำบัญชีฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อที่จะเตรียมใจเบี้ยยางชีผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์โดยตรงนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์นะคะทั้ง76จังหวัดกว่า 7,774 แห่งของอปท พร้อมกันทั่วประเทศได้แล้วนะคะในเดือนมกราคมของปีหน้านะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางอธิบดีกรมบัญชีกลางนายภูมิศักดิ์อรัญญากเกษมสุขนะคะก็ได้เปิดเผยว่าทางกรมบัญชีกลางก็ได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามโครงการ e-payment นะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ national e-payment master plan นะคะเพื่อที่จะทำ หน้าที่ในการจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการและก็หน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเทศแล้วนะคะทางกรมบัญชีกลางค่ะก็ได้มีการนำร่องนะคะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายนนะคะ ไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขนาดนี้นะคะก็กำลังที่จะตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล774แห่งทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบูรณาการ ข้อมูลสวัสดิการสังคมของกลุ่มบัญชีกลางค่ะแล้วก็จะสามารถจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการได้นะคะในเดือนมกราคมของปีหน้าซึ่งจะมีการโอนเงินนะคะเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรงนะคะซึ่งมีรอบการจ่ายทุกวันที่10ของเดือนค่ะ และหักเดือนใดนะคะในวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการนะคะก็จะจ่ายในวันทําการก่อนวันหยุดนั้นให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของการจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการนะคะที่หลายๆท่านนี่นะคะกาลังติดตามอยู่นะคะว่าจะจ่ายกันเมื่อไหร่นะคะก็สรุปแล้วนะคะว่าจะจ่ายในเดือนมกราคมนะคะของปีหน้าซึ่งก็จะเข้าบัญชีโดยตรงค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะการวินไทยก็ยังได้เซ็นสัญญาร่วมมือกับออตกอรหรือว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตกรกรในการที่จะรับซื้อสินค้าเกษตรทั้งผักผลไม้และอาหารสดที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อนนะคะโดยทีอ่อาหารเหล่านี้นะคะคุณฟังจะต้องได้รับไปรับรองมาตรฐานการผลิตหรือว่า G A P Organic Thailand แล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาวจากเกษตรก ร, กรไทยนะคะซึ่งทางออตโกก็จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้กับการบินไทยและการบินไทยก็จะได้นำเอาพืชผักเหล่านี้นะคะไปใช้กับครัวการบินไทยที่ผลิตอาหารให้กับสายการบินมากกว่า60สายการบินนะคะรวมถึงร้านอาหารในสังกัดของการบินไทยอย่างเช่นลาน p u f f e m p i r e และเ l ลโลออคคิดด้วยค่ะจึงนะคะต้องการอาหารสดและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ปัสจากสารเคมีตกค้างนะคะเป็นจำนวนมากนะคะและก็ได้ทำการเซ็นสัญญากับทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้วนะคะในการที่จะให้การบินไทยมีแหล่งวัตถุดิบได้ดีขึ้นนะคะความร่วมมือนี้ก็จะมีระยะเวลาที่5ปีนะคะโดยจะเริ่มมาะะเมื่อเดือนตุลาคมของปีนี้นะคะเซ็นสั ญ, ญญาไปเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในมุมมองข่าวช่วงต่อไปค่ะ เธอรอคอยเธอมาซะ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงของสินค้าออร์แกนิกนะคะก่อนหน้ารายการนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกนะคะในไหนก็เริ่มมากับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็มาดูเรื่องดีๆนะคะกับประเทศเล็กๆนะคะที่อยู่ ใกล้กับเทือกเขาหิมาลัยนะคะซึ่งก็คือประเทศภูตานประเทศนี้นะคะได้รับฉายาว่าเป็นดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าจากฉายาสวรรค์นบนพระสุท่านะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขานะคะแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะพูตานระยะหลังมานี้นะคะก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวอย่างประเทศ มากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้นะคะพูตานเนี่ยนะคะก็จะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประเทศที่มีทิวทัศน์แล้วก็ความงามทางธรรมชาติเท่านั้นค่ะแต่ว่าประเทศพูตานนี้นะคะกำลังจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตอาหารและพืชผลทางกา ร, กรเกษตรแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนเลยค่ะ ใช้คำว่าร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเพราะว่ารัฐบาล น, นี้นะคะของพูตานเนี่ยได้ทุ่มเม็ดเงินเดินหน้าโครงการแล้วนะคะโดยมีภาคการเกษตรและผู้ประกอบการขานรับแต่จะใช้เวลาอีกยาวนานแค่ไหนก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองต่อไปนะคะเพราะว่าภูตานนี่นะคะเป็นประเทศที่เรียกได้ว่านะคะเป็นประเทศที่มีสินค้าส่งออกที่สาคัญนะคะอย่างเช่นไฟฟ้าพลังน้า เรื่องของโลหะผสมเหล็กซีเมนต์ลวดทองแดงมีแร่ธาตุด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะเป็นแร่แมงกานีเซีมหรือจะเป็นแคลเซียมคบแล้วก็ตลาดส่งออกของพูตานก็คืออินเดียกับบางปราเทศนะคะแต่ว่าตลาดนำเข้าสินค้านี่นะคะก็ได้แก่อินเดียเช่นกันนะคะแต่ก็ยังมีไทยแล้วก็มีฝรั่งเศส คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าช่วงหลังๆมานี้นะคะรัฐบาลภูตานนี่นะคะก็ได้เริ่มโครงการออร์แกนิกแฟกชิ p โปรแกรมซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบออร์แกนิกเชิงพาณิชย์แบบจับตลาดกว้างค่ะโดยจะนำผลผลิตที่ได้นี่นะคะทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ว่าพูตาเนี่ยจะต้องเป็นออร์แกนิกเนชั่นคือเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าไม่ปนเปื้อนเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆแบบร้อยเอร์เซนตและที่สำคัญนะคะรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณถึง 1,000 ล้านงูตรุ่ำหรือราวๆ500ล้านบาทในการผลักดันโครงการนี้ค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือจาก Asian Food a ฟู้ดแอคชั่น r อร์ปอเรชันอิ i ชีทีฟนะคะก็คือ AFACI นะคะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะทั้งเงินทุนความรู้และก็เทคโนโลยีค่ะและที่สำคัญนี้นะคะสิ่งที่จะทำให้โครงการสำเร็จได้นะคะก็คือผู้ประกอบการนะคะของภูตานะคะที่ได้สนับสนุนนะคะเรื่องเหล่านี้นี่นะะอย่างจริงจังนะคะไม่ว่าจะเป็น ประชาชนหรือว่าเป็นผู้ประกอบการนะคะที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากวัตถุดิบพื้นถิ่นซึ่งนะคะมีเกือบ150รายการเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่วางขายในร้านสินค้าออร์แกนิกแล้วก็ร้าน Folk Heritage นะคะในทิมภูซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ได้รับการตอบรับนะคะจากประชาชนคนหนุ่มสาวในภูตานนะคะที่ เข้ามาทำงานทางด้านนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำสินค้านั้นส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณฟังคะในเรื่องของปัจจุบันนี้นะคะเทรนหรือว่าความนิยมในการบริโภคสินค้านี่นะคะก็จะนิยมไปทางด้านของการไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือว่าการใช้ยาฆ่ามแมลงหรือว่า สารเคมีต่างๆนี้นะคะเรื่องของออร์แกนิกก็เป็นเรื่องที่หล <c oughs> ายๆประเทศนะคะให้ความสนใจนะคะถ้าหากว่าผูตาลนี่นะคะดันประเทศของเขาเนี่ยให้เป็นประเทศออร์แกนิกส0 0เซนี้นะคะเกษตรกรผู้แปรรูปและผู้บริโภคเนี่ยจะต้องร่วมมือกันเพราะว่าเกษตรกรนี่นะคะก็จะไม่ใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยสังเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็จะต้องซื้อถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ย อย่างเช่นสมุนท่าผักนะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะไม่สวยนะคะเหมือนกับที่เราต้องใช้ยาฆ่ า, มาแมลงใช่ไหมคะอาจจะมีร่องรอยของการกัดของมแมลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้บริโภคก็ต้องสื้อนะคะเพราะว่าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการอย่างเช่นเกษตรกร น, นี้นะคะก็จะจําหน่ายสินค้านะไม่ได้นะคะแล้วก็สินค้าภาคเกษตรนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเขามีวันนะคะในการที่จะ กำหนดนะคะตัวสินค้าด้วยนะคะก็ต้องมีการหมดอายุนะคะถ้าหากว่าผักไม่สดหรือว่าผักเหี่ยวแล้วนี้นะคะโอกาสในการขายเนี้ยก็จะน้อยมากเลยค่ะดังนั้นนี่นะคะปัญหาที่สำคัญนะคะของการทำธุรกิจออร์แกนิกก็คือจะต้องมีตารับรองนะคะเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภณัณฑ์ออร์แกนิกนี้ได้มีคุณภาพนะคะ และก่อนหน้านี้นะคะพูตานก็มีองค์กรที่ให้ตรารับรองสินค้าออร์แกนิกแล้วนะคะแต่ว่าผู้บริโภคในประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความสนใจนะคะแต่ว่าตารับรองนี้นะคะมันสำคัญมากในการที่เราจะต้องนำเอาสินค้าของเราเนี่ยออกไปขายอย่างต่างประเทศนะคะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยจะให้ความสำคัญ ของตารับรองนี้ว่าถ้ามีตารับรองนะคะที่เขายอมรับนี่นะคะก็สามารถที่จะนําเข้าประเทศเขาได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศทางยุโรปนี่นะคะก็จะค่อนข้างเข้มงวดมากนะคะในเรื่องของอายาฆ่าแมลงนะคะซึ่งหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สารปนเปื้อนนี้นะคะการที่จะนําสินค้าเข้าประเทศทางยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะคะ ดังนั้นนี่นะคะเรื่องของพูตานนะคะก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องรอดูต่อไปนะคะว่าประเทศของเขาเนี้ยสามารถจะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็น์ได้หรือไม่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้นี่นะคะคิดว่าคงอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่คิดว่าประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าการทํางานของประเทศภูตานนี้นะคะเขามีการประสานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเกษตรกรแร้วก็ผู้ผู้บริโภคด้วยนะคะ อีกทางนี้นะคะความสําคัญนะคะในการผลิตและการเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิกสําหรับผู้บริโภครุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ความสําคัญมากนะคะแล้วก็ต้องปลูกฝังเขานะคะในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่สําหรับในประเทศไทยนะคะดิฉันก็ขอแนะนํานะคะโครงการหลวงค่ะ โครงการหลวงก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับนะคะในชื่อว่าดอยคานะคะมีผักมีสินค้าปลอดสารพิษนะคะมีนมนะคะมีข้าวมีทุกอย่างที่คนไทยสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะก็สามารถจะไปอุดหนุนได้นะคะที่โครงการหลวงทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยคะ่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงของมุมมองข่าวจากต่างประเทศคะ่ะ มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำไม่ใช่เราหนาวสัน่น อยากอยู่ดูแลให้เธอฟันดีแต่ใจก็รู้ดีก็หมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนา น, น, านแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งว่อนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมยังปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้จึง ใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลามเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี oh. คืนนี้ฉันดีอยู่ใกล้ๆเธออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าเพงปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ถังหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันดีอยู่ใกล้ๆเธอเย้คืนนี้ฉันดีอยู่กับเธอคืนนี้ฉันได้อยู่ ก, กับ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University ค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับมุมมองข่าวในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของข่าวต่างประเทศนะคะก็ไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเรื่องของญี่ปุ่นนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพบในเรื่องของการทางานนะคะที่ค่อนข้างจะจริงจัง ในคนญี่ปุ่นนะคะการทำงานหนักจนตายนี้นะคะกำลังเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เกิดกรณีพนักงานหญิงของเอเจนซี่โฆษณานะคะแห่งหนึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วจึงส่งผลให้บริษัทน้อยใหญ่ทั่วญี่ปุ่นต้องหันมาทบทวนนโยบายเรื่องเวลาการทำงานกันใหมค่ค่ะ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้เตรียมเสนอแก้กฎหมายจำกัดชั่วโมงการทำงานล่วงหน้าหรือว่าโอเวอร์ไทม์หรือที่เรียกย่อว่า OT ที่60ชั่วโมงต่อเดือนค่ะซึ่งสมาคมธุรกิจในญี่ปุ่นก็ขานรับนโยบายนี้นะคะอากิโกอิมูระซึ่งเป็นประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้บอกว่าไม่มีคำคัดค้านใดๆในเรื่องนี้เลยนะคะและเสนอเพิ่มเติมว่าต้นเหตุของการทำงานหนัก เกิดจากบริษัทขนาดใหญ่ไปกดดันซัพพลายเออร์รายย่อยให้ทำงานหนักกว่าปกติดังนั้นญี่ปุ่นจึงต้องพิจารณาเรื่องสัญญาการจ้างงานระหว่างบริษัทด้วยค่ะในโลกทำงานหนักจนตายนะคะหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่าคาโรชิไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ฟังคำนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่ปี1970แล้วค่ะและ ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้นะคะ2019นะคะรัฐบาลก็จะต้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจังนะคะกลุ่มสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นนะคะก็ได้เสนอให้พนัก ง, งานออฟฟิศ ควรถูกพิจารณาขึ้นเงินเดือนจากผลงานนะคะและไม่ควรที่จะเอาเรื่องของการทำงานล่วงเวลามาร่วมพิจารณาด้วยและนอกจากนี้กลุ่มพนัก ง, งานออฟฟิศคนทำงานอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการทำงานล่วงเวลาก็คือคนขับรถบรรทุกพนัก ง, งานก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำงานในช่วงของกลางคืนนะคะจึงนะคะทำให้นาะยะจ้างนะคะ ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มนโยบายใหม่น ะ, ะานรับกันนะคะก็เปลี่ยนนโยบายใหม่ก็คือทำงานสัปดาห์ละวันหยุด3วันค่ะและหวังว่าลูกจ้างเนี่ยจะมีสมดุลในชีวิตนะคะแล้วก็มีการงานมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการปฏิรูประบบการจ้างงานค่ะเพราะว่าจากสถิติของกระทรวงแรงงานญี่ปุ่นในปี2015นะคะบริษัทเอร์เซนต์ อนุญาตให้หยุดงานสัปดาห์ละ3วันหรือมากกว่านั้นซึ่งแนวแนวโน้มนะคะบริษัทที่มีนโยบายแบบนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้ ง, ทงนี้ก็เพื่อช่วยดึงดูดแรงงานที่หายากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันค่ะก็มีบริษัทที่ใช้นโยบายนี้นะคะอย่างเช่น KFC เจแปนนะคะก็ได้ลดจํานวนชั่วโมงการทำงานลงหรือเพียงแค่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อนุญาตให้พนักงานเลือกวันหยุดเองตามต้องการได้3วันต่อสัปดาห์และแม้แต่ร้านเสื้อผ้า Uniqlo นะคะก็อนุญาตให้หยุดได้3วันเช่นกันหรือจะเป็นยูชิยาม่าโฮ l ดิ้งนะคะที่ให้บริการสุขภาพนะคะก็มีข้อกำหนดการทำงานอยู่ที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่อนุญาตให้พนักงานทำงานได้4วันนะคะแทนการทำงาน5วัน ส่วนเหตุผลนะคะก็จะเป็นเรื่องของการดึงดูดแรงงานที่หายากและป้องกันพนัก ง, งานที่มีอยู่แล้วไม่ให้หลาออกนะคะก็ถือว่าเป็นการลดจำนวนชั่วโมงการทำงานลงแล้วก็เพิ่มวันหยุดให้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นบริษัทบางบางแห่งนี้นะคะคุณฟังแทนที่ว่าเราจะทำงานห้าวันแล้วทำา8ดชั่วโมงใช่ไหมคะเขาก็ลดเหลือ4วัน แ, แล้วก็เพิ่มเวลาการทางานเป็นสิบชั่วโมงแทนนะคะอย่างนี้ก็ได้ใจคนทางานค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง m i โ r o ซ o f ทนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ทดลองให้พนักงานทำงาน4วันต่อสัปดาห์ค่ะโครงการทดลองนี้นะคะเรียกว่า Work Life Choice Challenge นะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมและสิ้นสุดแล้วนะคะผลการประเมินโครงการนี้นะคะก็พบว่ายอดขายของพนักงานที่ทำงาน4วันต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 39.9% ค่ะเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะคะพนักงานทางาน5วันต่อสัปดาห์ก็ถือว่ายอดขายปกติ และที่มากไปกว่านั้นนี่นะคะการที่ให้พนัก ง, งานทำงาน4วันต่อสัปดาห์ทำให้บริษัทลดต้นทุนไฟฟ้าได้ถึง 23.1% ด้วยแล้วยังลดต้นทุนในการปริ้นต์งาน 58.7% นอกจากนี้นะคะการประชุมงานก็ทำผ่านออนไลน์มากขึ้นจึงทำให้เกิดความพึงพอใจนะคะในโครงการทดลองอันนี้นะคะถึง 92.1 ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าชอบรูปแบบการทำงาน4วันต่อสัปดาห์เป็นอย่างมากนะคะและเวลาที่เหลือในวันหยุดอีก3วันใช่ไหมคะก็ยังได้เอาไปพัฒนาตนเองแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวอีกด้วยค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องที่แบบราปรับเปลี่ยนนะคะชั่วโมงกันนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็ได้วันหยุดเพิ่มขึ้นนะคะก็สร้างความพึงพอใจให้กับคนทางานในประเทศญี่ปุ่นมากนะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังมากนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะ วันนี้นะคะเวลาในรายการมุมมองข่าวนะคะรายการที่จะเพิ่มมุมมองของคุณผู้ฟังหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังมีนิทรรศการดีๆนะคะที่ยังไม่ไม่หมดนะคะจะหมดเอาในวันที่15ทธันวาคมนั่นก็คือนิทรรศการของจินสี่ห้องเต้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมนะคะหรือว่าพาบุตรหลานไปเที่ยวชมก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะค่ะงาน นี้ก็เปิดไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมททศการดีๆนะคะที่มีมานะคะจัดขึ้นที่บ้านเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย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 R M U T T Radio.